รอบข้างทุกอย่างเป็นประโยชน์ในการสอบประหลมุมซึ่งเป็นการเรียกว่าสัมผัสโดยตรงนะสัมผัสโดยตรงอย่างที่เราเห็นใหเสียไฟขึ้นให้เราจะเห็นว่าในเรื่องนี่หลวพ่อมั่นใจมา ก, กว่าตอในช่วงนั้นท่าน เ, เริ่มเป็นมะเร็งนะแต่คุณสุพลเมื่อกี้ที่ท่านสอบปรมคุณสุดท้ายนี่เป็น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 ที่บระเจ้าสอนคนถึงเข้าใจง่ายนะอย่างสิงคโปร์าวสิงครพูดกันไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าฟังเร า, าจากอาการของพ่อของพ่อสอนอะไรปรากฏยมยกเหรียญนนะยกเหรียญกลับไปเดี๋ยวนี้ก็มี <c oughs> ศูนย์ของสอนเรื่องในที่สิงคโปร์ของพ่อเราจะเห็นว่า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 เพื่อที่จะได้เดินทางไม่ผิดทางาท่านสอนมาอย่างไรนะฉะนั้นเองพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากเราได้เห็นอย่างนี้แล้วเราเอาไปฝึกฝนดูทำความเข้าใจดูไม่ใช่ว่าทาไปตะพุทธตะพูตะวีตะบันแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเราจะไปทางไหนนี่มันเสียเวลามันเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเข้าใจชัดๆเราจะเอาอะไรเราจะไปทางไหนเราก็เดินทางช้าไม่เป็นไรขอให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง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 เด็กกันทุกทุท่านที่